มันไม่ยาวนานเวลาเมื่อผ่านไปแล้วก็จะผ่านไปจะไม่ถอยกลับมาเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้แกบชีวิตจิตใจของเราก็จะมีน้อยลงไปตามลดับถ้าเราไม่รีบตักตว โอกาสอันดีนี้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราต่อไปเวลามันก็จะหมดไปเวลาหมดเวลาแล้วก็จะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้กับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ต้องไปรับผลประโยชน์หรือผลบาปที่เรา ได้ทำเอาไว้ดังนั้นตอนนี้เรามีเวลาที่จะตักตวงประโยชน์สุขให้กับเราเราจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องพยายามปฏิบัติให้มาก ผลก็จะเกิดมากผลก็คือผลที่เราต้องการกันนั่นเองก็คือความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละจะเป็นผลที่เราจะได้รับกันถ้าเราพยายามปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติให้มากๆาให้ปฏิบัติได้เต็มที่เมื่อได้เต็มที่แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะมีศรัทธามีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อยู่อย่างสม่ำเสมอแการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงค์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทําให้เราได้รับผลที่เราอยากจะได้รับกันการที่เราจะได้รับผลนี้เราจะต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้สมข้อคือหนึ่งทำบุญสองละ บ, บา สามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือภารกิจการงานที่พระพุทธเจ้าในทรงมอบหมายไว้ให้แก่พวกเราเพราะเป็นภารกิจที่จะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับให้มีความสุขมากเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุด ถ้าเราปฏิบัติตามได้เราก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆจากเทพจากมนุษย์เราก็ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพเราก็ไปเป็นพรหมจากพรหมเราก็ไปเป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ไปตามลําดับนี่คือผลที่เราจะ ได้รับกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือขาวรวาาผู้ครองเลือนเพศต่างๆเหล่านี้สถานภาพต่างเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรค ต, ต่อผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งที่เป็นอุปสรรค ต, ต่อการบรรลุมังผลนิพาน บรรณุคุณธรรมความดีงามขั้นต่างๆนี้อยู่ที่การความเกียดคร้านเพียงอย่างเดียวถ้าเราเกียดคร้านเราไม่ขยันที่จะทำบุญไม่ขยันที่จะละบาปไม่ขยันที่จะชำระใจของเราให้สะอาดเราก็จะไม่ได้รับผลที่เราอยากจะได้กัน ดังนั้นเราอย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอ้างว่าเราเป็นผู้หญิงปฏิบัติไม่ได้เราเป็นเด็กปฏิบัติไม่ได้เราเป็นคารวะเราปฏิบัติไม่ได้เราเป็นนักบวชแต่เราไม่มีวาสนาบาลีเราก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าอ่านกันอย่างนี้ก็จะไม่มีใครบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ แต่ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้อ้างสิ่งเหล่านี้เขาเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชเขาไม่สนใจกับเรื่องของสถานะของเขาเขาสนใจอยู่ที่ความเพียรที่จะปฏิบัติตามที่พูะเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเท่านั้นเขาจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ขั้นต่างๆกันจนถึงขั้นสูงสุดได้อยู่ที่ความเพียรนงที่สุภาษิตได้ทรงจัดไว้ว่าหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรเราไม่ได้หลุดพ้นด้วยความเกียจคร้านเราต้องหลุดพ้นด้วยความเพียรเบื้องต้นเราก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อก่อนเชื่อว่าสิ่งที่พรเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัต เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงจริงทั้งเหตุจริงทั้งผลเหตุก็คือการกระทํำของเราถ้าเราทําดีทําบุญละบาปชําระใจให้สะอาดเราก็จะได้ไป สวรรค์ขั้นต่างๆไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆและไปสิ้นสุดที่พระนิพพานไปสู่การดับของความทุกข์ที่ถาวรไปสู่การยุติของการเวียนว่าตายเกิด น, นี่คือผลและเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นนิยายที่เราแต่งกันขึ้นมา เหมือนที่เราดูกันในจอภาพยนตร์หรือในจอทีวีเรื่องราวเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องของการแต่งขึ้นมาไม่ได้มีตามที่เขาได้พูดกันไว้ได้แสดงเอาไว้แต่เหตุที่พระเจ้าทรงสแสดงนี้ผลที่พระเจ้าทรงสแสดงนี้เป็นความจริงและเป็นความจริงที่ไม่ถูกการเวลา ควบคุมบังคับเอาไว้ก็คือเป็นอนันต์เป็นเป็นเหตุและผลที่ถาวรไม่เสื่อมไปกับการเวลาเหตุและผลที่ปรากฏขึ้นในสมัยพระพุทธกาลเช่นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยพระพุทธกาลแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆในสมัยพระพุทธกาล ก็ยังเป็นเหตุและเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าผลนี้จะต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุแล้วผลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เหตุก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองสุ ป, ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิป ано, ยยันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือคุณา สมบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนได้คะแนนเต็มร้อ ย, อยเรียกว่าปฏิบัติดีเรียนดีเรียนเก่งสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงต่อคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ ไม่ว่วาควนไปเวียนมาพระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญก็ทำบุญสอนให้ละบาปก็ละบาปสอนให้ชาระใจให้สะอาดก็ทำไม่ทำอย่างอื่นไม่ไปอ้างว่าไปทำไม่ได้เพราะยังมีภาระหน้าที่การงานที่ไม่สามารถทำให้ละบาปได้ถ้าไม่โกหกแล้วเดี๋ยวจะทำมาหากินไม่ได้ จะไม่ร่ำไม่รวยอย่างนี้ไม่ทำบุญเพราะว่าเงินทองไม่ไม่พอใช้ <c oughs> เพราะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยหมดเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายหมดเลยทำให้ไม่สามารถทำบุญได้นี่คือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ <c oughs> ไม่ทำตามอย่างเคร่งครัดแลอุชุแล้กยายะการยายะปฏิปันโนก็คือปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ทำบุญเพื่อการดับความทุกข์ทำบุญเพื่อทำละบาเพื่อดับความทุกข์ชำระใจเพื่อดับความทุกข์ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ร่ำให้รวยให้ได้ไปได้ดิบได้ดี ในทางหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆแต่ทำบุญเพื่อละปัญหาความอยากความโลภที่อยากจะร่ำรวยอยากจะมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากๆเพราะถ้ามีความอยากแล้วก็จะมีความทุกข์จะอยู่ไม่เป็นสุขได้มาเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าไม่พอยังรวยไม่พอ ได้มาล้านก็ยังไม่พอได้มาสิบล้านก็ยังไม่พออันนี้ถ้าทําบุญเพื่ออยากให้ด่าให้รวยก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ได้การทําบุญนี้เพื่อไม่อยากร่ํารวยอยากอยู่แบบพอมีพอกินถ้ามีมากเกินไปก็จะเอาไปทําบุญเพื่อที่จะได้สกัดความโลภ อยากร่อมอยากรวยอยากได้เงินได้ทองเอามาซื้อสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจนี่คือปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เรียกว่ายายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนก็คือปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกข้อทุกประการสอนให้ทำอะไรก็ทำให้ถูกไม่ทำแบบผิดผิดถูกถูก ถ้าทำแบบผิดๆถูกๆผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาหรือปรากฏมาแบบไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยดังนั้นขอให้เราพยายามเพียงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทำบุญให้ได้ทุกวันวิธีทำบุญก็คือแบ่งปันประโยชน์สุขที่เรามีให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นรัก เงินทองหรือข้าวของต่างๆอย่างในช่วงปีใหม่นี้เราก็แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการไปซื้อของขวัญต่างๆมาให้คนนั้นให้คนนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการทาบุญแบ่งปันให้ให้ผู้อื่นได้รับความสุขจากการให้ของเราแต่เราไม่ควรจะทำเพียงเฉพาะวัน ขึ้นปีใหม่หรวันเกิดเราพนพยายามทําทุกวันทําทีละเล็กเลีอยน้อยไปตามกำลังของเราอย่างชาวบ้านเขาจะใส่บาตรทุกวันชาวบ้านที่มีพระมาบิณฑบาตถึงแม้เขาจะไม่มีบา้านเขาก็ยังให้ได้เขาก็ให้ข้าวข้าวที่เขากินเขาก็แบ่งมาใส่บาตรหน่อยกับข้าวที่เขากินเขาก็แบ่งมาใส่บาตรหน่อย อันนี้ก็ได้บุญได้การทำบุญแล้วการทำบุญนี้ควรจะทำอยู่ทุกวันเพราะว่าจะทำให้เราติดนิสัยชอบทำบุญถ้าเราทำบุญนานๆทำทีมันจะไม่มีความชอบที่จะทำบุญทำเพราะมีเหตุจำเป็นเช่นวันปีใหม่ขึ้นปีใหม่หรือวันเกิดก็เลยเกิดความอยากจะทำบุญขึ้นมา ถ้าเราทำบุญเพียงเฉพาะวันขึ้นปีใหม่วันเกิดก็เหมือนกับกินข้าวปีละสองครั้งเท่านั้นเองถ้าเรากินข้าวปีละสองครั้งจิตใจของเราก็จะไม่เจริญเติบโตจะไม่มีความสุขจะดับความทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเราทำบุญทุกวันถ้าเราไม่มีพระมาที่บ้านเราก็ เอาเงินที่จะซื้อข้าวซื้ออาหารใส่บาทนี้ใส่กระปุ ก, กวไว้ก่อนแล้วเวลาที่เราไปวัดเราค่อยเอาเงินนี้ไปถวายวัดต่ออันนี้ก็จะทาให้เราได้มีโอกาสทำบุญทุกวันการทำบุญทุกวันนี้จะทำให้ชีวิตเราแจ่มใสสดชื่นเบิกบานมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ จะทำให้เราไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปเพราะว่าเรามีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วเราก็จะมีความเมตตาการุณาเพราะผู้ที่ทาบุญนี้จะมีจิตใจที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นสุขสบาย หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆพอทำบุญได้แล้วมีเมตตามีกรุณาแล้วก็จะละบาปได้ถ้ายัางทำบุญไม่ได้จะละบาปได้ยากเพราะไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณาเพราะว่ายังมีความโลภอยากได้เงินมากๆาอยากได้ข้าวของมากๆ ก็เลยทําให้ไม่เหลยวแลไม่คิดถึงผู้อื่นเวลาจะทําอะไรก็จะไม่สนใจว่าทําไปแล้วจะเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้อย่างผู้ที่ทํามาหากินแล้วอยากจะได้เงินแบบเร็วๆมากๆก็มักจะต้องโกหกหลอกลวงผู้ที่มาทํามา ค้าขายกับตนเพราะว่าจิตใจยังไม่มีบุญยังยังไม่ชอบทำบุญยังชอบและยังชอบได้เงินได้ทองก็เลยเห็นว่าการทาบาป น, นี้เป็นเรื่องปกติไปเป็นเรื่องจำเป็นไปแต่ถ้าได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่อยากให้ผู้อื่นเขาต้องเดือดร้อนจากการกระทำของเรา เวลาทำอะไรก็จะคอยอพิจารณาดูเสมอว่าการกระทำนี้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเปล่าก็จะไม่ฆ่าจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่โกหกหลอกลวงจะไม่เสพสุรายามเมาอนนี่คือการละบาปที่จะตามมาถ้าเราหมั่นทำบุญอยู่เรื่อยๆ ทำบุญอยู่ทุกวันทุกวันจิตใจของเราจะมีความเมตตาการุณาจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้เราสามารถไม่ทำบาปได้เวลาเราไม่ทำบาปใจของเราก็จะเย็นจะสบายจะไม่วิตกกังวลจะไม่วุ่นวายใจกับการกระทำที่ไม่ดีที่เราได้ทำไป นี่คือเป็นการดับทุกข์การทำบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจนอกจากความทุกข์ในปัจจุบันนี้แล้วยังมีความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะผู้ที่ทำบาปนี้จะไม่สามารถไปสวรรค์ได้จะไม่สามารถไปมรรคผลนิพพานได้ ผู้ทำบาปนี้จะต้องไปใช้บาปในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาป ท, ที่ทำไว้ว่าทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้เช่นคนที่เขามีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเขาคิดว่าเป็นความจำเป็น ที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่เช่นพวกที่เขาฆ่าหมูข้าเป็ดข่าไก่ <c oughs> เขาก็คิดว่าเป็นอาชีพที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะอดเขาก็จะอดตายนี่คือการกระทำบาปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นได้ทำได้ทำไปแล้ว ก็จะเป็นต้องไปรับผลไปเกิดเป็นเดรัจฉานพราะเดรัจฉานเขาก็ข่าเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเดรัจฉานนี้เขาฆ่าเพราะว่าเขาต้องกินอาหารเช่นปลาใหญ่กินปลาน้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กหรือไม่เช่นนั้นก็ไปลักขโมยอาหารของผู้อื่นเช่นสุนัขถ้าเราเผลอวางอาหารไว้ตรงไหนสุนัขมันก็จะมาฆ่าไปรับประทาน มันจะไม่ถามมันจะไม่ขออนุญาตก่อนเพราะมันไม่มีสติปัญญาที่จะรู้ว่าการเอาขอของผู้อื่นไปนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณนี่เกิดลักษณะของเดรัจฉานทําไปโดยไม่มีความรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วทําไปแล้วจึงกลายเป็นเดรัจฉานไปมนุษย์ที่ทําอย่างนี้ก็เป็น เดรัจฉานเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นเพียงครึ่งเดียวคือเป็นที่ใจร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เป็นเดรัจฉานไปแล้วแล้วพอร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปหาร่างของเดรัจฉานต่อไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทําถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากร่ำอยากรวย ท, ทั้งทั้งที่ พอมีพอกินไม่ต้องทำบาป ก, ก็อยู่ได้แต่อยากร่ำอยากรวยก็เลยกลายเป็นเปรไปใจก็จะกลายเป็นเปรไปทำบาปเพราะความโลภแล้วถ้าทำบาปเพราะความกลัวกลัวอดอยากขาดแคลนกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีกินก็เลยทาบาเพื่อจะได้มีสมบัติจะสมข้าวของเงินทองไว้เยอะๆเผื่อวันข้างหน้า เผื่อที่จะตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแต่ก็ทำมากจนเกินไปจำยังทัางไม่สามารถจะใช้ได้หมดแต่เพราะความกลัวก็เลยพยายามทำทุกวิถีทางที่จะรักษาชีวิตของตนไว้ให้ได้ทาแบบนี้ท่านบอกก็จะไปเป็นอ ส, สุรกายหรือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นผี แล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดอันนี้ก็จะไปตกนรกเวลาใครนึกทำอะไรให้กับเราให้เราเสีย อ, อกเสียใจให้เราโกรธแค้นขึ้นมาเราก็อาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมพอมีโอกาสที่จะทำร้ายเขาได้ทำบาปได้ฆ่าเขาได้ก็จะฆ่าเอาทรัพย์สินของเขาได้ก็จะเอา ลูกเมียภรรยาเอามาเหยียบย่ำได้เขาก็จะเอามาเหยียบย่ำทำลายโกหกหลอกลวงได้เขาก็จะโกหกการกระทำแบบนี้ด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะทำให้ใจเป็นดรกุกคือร้อนมีความรุ่มร้อนความโกรดนี้เป็นไฟความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นไฟที่เผาใจ ทิธีที่จะดับความอาฆาตปรยาบาทที่เผาใจนี้ต้องใช้ความเมตตาใช้น้ำแห่งธรรมะธรรมะที่พูะเจ้าทรงสอนว่าอาเวลาฝนตุจงไม่จงอยากมีเวรกันเถิดคำว่ามีเวรก็คือไม่จองเวรจองกรรมไม่อาคาาปรยาบาทไม่ล้างแค้ให้อภัยใครทำอะไรแล้ว เราก็อย่าไปถือสาเพราะสิ่งที่เขาทำมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอาคืนมาได้เช่นเขาฆ่าเราหรือฆ่าสิ่งที่เรารักคนที่เรารักเขาฆ่าไปแล้วมันก็จบไปแล้วเรามาโกรธมาเกียรตเราก็จะม า, าสร้างไฟขึ้นมาเผาหัวใจของเราแล้วก็จะพาให้เราต้องไปทำบา แล้วต้องไปตกนรกต่อไปถ้าเราให้อภัยได้ใจของเราก็จะดับความร้อนในใจของเราก็จะดับเราก็จะเย็นพอใจเราเย็นแล้วเราก็จะไม่คิดที่จะทำร้ายใครเราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ไม่ต้องไปเป็นนรกไม่ต้องไปตกนรกเพราะเรามีน้ำดับไฟนรกก็คือความเมตตานี่เอง สัเพสัตตาเอาเวราหุนตุขอให้เราพยายามเจริญบทเมตตานี้ให้มากๆอยากลอย่าไปถือสาอย่าไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเพราะมันเป็นโทษกับเรามากไปมากกว่าเป็นคุณการให้อภัยนี้แหละเป็นคุณมากเป็นคุณอย่างยิ่งว่าจะทำให้เราไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปรับผลบาป คือไม่ต้องไปตกนรกนั่นเองนี่คือเรื่องของการที่เราจะต้องมาละบาปกันเพราะถ้าเราไม่ละบาปแล้วเราก็จะต้องไปใช้กรรมไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกถ้าเราละบาปได้ไม่ทำบาปได้เราก็ไม่ต้องไปใช้บาป ถ้าเราทําบุญละบาปเวลาเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมคือถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบานันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต์เราก็ต้องมาชําระใจของเรา การชำระใจก็คือการชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุที่จะทำให้ใจของเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีเวลามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องกลับมาหาตาหูจมูกลิ่นกาย ร่างกายนี้ตายไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้หมดสภาพไปแล้วพอตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังเสพยังอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดภพะอยู่การจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดภพะก็จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายนี่คือ การชำระใจวิธีชำระใจก็ต้องชำระ ด, ด้วยการทําใจให้สงบพอเวลาใจสงบความอยากจะสงบตัวลงไปแต่เป็นการชำระชั่วคราวพอออกจากความสงบความอยากก็จะกลับคืนมาตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาทําลายความอยากให้พิจารณาให้เห็นว่าความอยากนี่แล้วคือต้นเหตุของความทุกข์ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องหยุดความอยากให้ได้เหมือนกับเวลาที่เรากินอาหารแล้วทำให้ท้องเสียอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาดูว่าท้องเราเสียเพราะอะไรถ้าเราเห็นว่า อ, อ๋ออาหารชนิดนี้กินแล้วทำให้ท้องเสียต่อไปเวลาเราเห็นอาหารชนิดนี้เราก็อย่าไปกินถ้าเราไม่กินท้องเราก็จะไม่เสีย นี่คือกานใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราพิจารณาเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์ใจของเราความไม่สบายใจของเราที่เกิดจากความอยากแต่จะต้องมีสมาธิมีความสงบก่อนถึงจะเห็นได้ถ้าใจไม่สงบนี้จะไม่เห็นเพราะใจจะถูกความหลงความมืดบอดครอบงำทำให้ไม่สามารถ เนความจริงนันนี้ได้เราต้องทําใจให้สงบก่อนเวลา ใ, ใจสงบแล้วความมืดบอดนี้จะจะสยบตัวไปจะทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้เราก็จะเห็นเลยว่าความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้ใจของเราทุกข์กัน พอเราเห็นเราก็จะละความอยากพอละความอยากได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์ไ ป, ไปนี่เป็นการชำระใจชำระความอยากอย่างถาวรจะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้ด้วยความเมตตา ด้วยความสงสารพราพระ อ, องค์ทรงเห็นโทษของความอยากแล้วรู้แล้วว่าการที่พระ อ, องค์ที่เคยมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ทุกภพกทุกชาติก็เพราะความอยากนี่เองพอพระ อ, องค์สามารถหลุดพ้นจากความอยากได้แล้วดับความอยากได้แล้วพระ อ, องค์ก็ไม่ต้องกลับมา เกิดอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปจึงเอามาสั่งสอนให้พวกเราได้รู้กันเพราะถ้าไม่มีพระองค์มาสอนก็จะไม่มีใครรู้เพราะความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่จะรู้ได้แต่เฉพาะคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งมีไม่มากนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งพวกเราชาตินี้ถึงว่าโชคดีที่ได้มาเจอคนฉลาด ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของคนที่จจรลาที่จะชี้ทางบอกให้เราได้ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรดังนั้นขอให้พวกเราจรงน้อมจิตใจของเราให้มีศรัทธาความเชื่อในพระในคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรทำให้มากทาให้มากขึ้นไปตามลำดับจนทำได้อย่างเต็มที่แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนการแสดงจึงเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย